Det är en öga, som är särskilt viktig i att komma i kontakt med vår kropp, vår kropp, vår och förstå oss själva är det viktigt att vi har en นะสาธุระวังทุกคนก็สารนะพอนะก็ตามว่าไม่ทําคิดอะไรเฉยๆเหมือนกับจะหมายความว่าผู้ที่ är ในโท ตอนนัดต่อดิฉันว่าไปเพื่อทางฉันปะทาน้ําเสร็จแล้วนั่งที่โคลเนล อนุรักษ์กายใจให้มีสติ Låt klocka i det, det ögonhållande, inåt, utåt. Eller att gå genom kon, gått in, gått ut, klocka det man ser. Samtidigt att du kiktar i det man känner, in. det man känner kiktar du slut. Då går du tillbaka och du linder dig allt på väg. När du är ที่จะต้อง commences จังหวะนี่เรียกว่าการเป็นสูตรสูตร 1 เป็น <c oughs> ตบังมีแต่ที่โรคใจเหมือนจะเราได้ฟังเทศฟังธรรมได้เห็นเชิง พระเจ้า 2 เศรษฐาอาศัยไปที่พระราชวังแห่งนี้ก็อาศัยไปแล้วไปรับเข่าเพลงเศรษฐร แต่พาสงฆ์เกริญพระธรรมมาที่หน้าวัดเป็นเป็นลักษณ์ สามารถแก่ออกเข้าดูแล ฟังเคล็ดฟังเคล็ดก็วังเวงสงสัยบางทีก็เอ่อพยัพวาทะลักษณะต่างๆที่มันจรมาให้เราเนี่ยถ้าพอรู้แล้วก็เฉยแล้วกลับมาหาที่ตักที่ตัก เนี่ยก็ติดตั้งไว้ที่โรงหมายตาเลยอ่าถ้าไปทําการบรรทาแล้วก็เคลื่อนไปตั้งที่ใหม่อีกอาจจะไปตั้งไว้ที่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 ธรรมชาติของเขาว่าแต่อย่าโลภมันสุขก็อยากเคยรับสุขมันทุกข์ก็อยากไปของทุกข์เราก็อยากโลภ อาการไม่ปกตอบแน่เพราะฉะนั้นมันจะหมดตัวไปแล้วรูปต่อเคยพูดอยู่ มันบ่เคยเลยทําไอ้โดนกับอะไรไม่เกิดสัญญาพระพุทธเจ้า แต่เป็นโง่ง่วงแล้วก็ไม่ค่อยเป็นฉลาดถ้าเห็นแล้วจะแคร์ล่ะถ้าเห็นแล้วก็พร้อมจะตรงนั้นมันก็ตายเจอเคลิ้มก็เกิดการหลุดพ้นพี่ การเหนื่อยเยื่อนั้นตาภายในก็นะฮะรอจักเกิดความพบเห็นแต่ก็จะเพลินของสิทธิ์ประตตา ชมท่าพาขิทุ่งชมทานราชนครราชศรีมหาชมทานณใจชมพาสวยโพดต้องการ นี่ประสบะเราเห็นกับเกิดการเกิดการรู้จักเลือกนะรู้จักเลือกว่าเป็นมีสติมีตัว อานัยคือความรู้ตัวของเรามันเป็นมันเป็นหลักมันเป็นหลักมันรู้อยู่มันเด็ดอยู่มันรู้แต่มันรู้เป็นหลักเวลาเราหลงมันจะติดกับแต่มี ah, กับหมอรุ่นเนี่ยรุ่นอะไรทําบาตรครับก็หล่นไม่ถูกต้องไปแกะกันบางทีแล้วก็บางหนหนเคยได้ไปหมดเรียนมีประสบการณ์จริงๆก็บริแต่เราไม่รู้ก็ไม่เห็นถึงวันแม้เมื่อไม่ทํามันก็ไปพลาดกับคนทําแล้วต้อง แต่ไอ้ดาวก็แบบว่าเจลอพ่อมันไม่คิด พอเป็นเรื่องของกองสร้างมันต่างกันกับคนมีสติมีความมันเอ๋มันเคยมันเห็นมันไปไปซื้อผักไปซื้ออาหารไปซื้อเสื้อซื้อเราเห็นล้นเลือกนะอีกไม่ดีอีก man vet att man måste hålla. När vi vet, när vi jagar, när vi อันเห็นท่านก็เห็นได้ล่ะเป็นหมายไว้เป็นโมงไว้เป็นมันคิดมั้ยแต่ vi har คิดเราจะเข้าไปในความคิดหรือว่าออกมาเป็นความคิดเป็นมันคิดหรือว่าเป็นผู้คิดนะก็เห็นมันคิดความคิดไปไม่เห็นนะถ้า ไถถึงเตโขมไปถึงโคยลานไปถึงคุเทพไปถึงอะไรไปในคิดบ่จบตรงนั้นเหมือนทิ้งกอดขวดใส่ ไม่แค่คิดด้วยเฮด้วยผลเป็นกับผู้กับ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 สติกําวัฏสติรู้สติรู้รู้แล้วรู้อีกนะรู้กับก็มีบทที่เราทํารู้กับเจตนาที่เราตั้งจักขะให้รู้กับในนี้ตรงนี้นะแต่รู้อย่างนี้รู้อย่าง มันเตยตะนี้เมื่อรูปอาการก็ไปไข้รูปอย่างนี้ มันไม่มีหรอกผมก็คิดในระหว่างคิด มารักของเราเราก็ป้องกันได้เลยถือมันเรารอบรั่วแล้วเราดูว่าจะเป็นต่อไม่เข้าไปกินอาหารถึงได้เลือกไปทุกอี๋มันก็ เราเห็นที่มันเข้าเราก็กีดตรง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 ไม่ต้องไปมาเตือนนี่ไปรู้ว่าๆพอคิดก็รู้ว่าๆแต่ว่าให้ถือว่าจนผิดจนเถอะจะถูกนะ อาจารย์โยธาแค่โยธาเปล่าเถอะถ้าเรามีความรู้จักตัวมันพอ <ielle> แต่เนี่ยคิดพอจับครูเนี่ยมือที่ออกจับ สงบแล้วท่านมันเก็บก็มันเห็นดอกนะสาจรันตะติเนี่ยทําไปทําหนักกับกับจริงเกิดไปก็อยากเป็นแน่อยากเป็นบังคับอยากเป็นขี้อยากเป็นเพ่งรูปกองๆรูปกองๆรูปกอง พอบ่พอใจนะเพียงแต่จะตื่นขึ้นมาบ่าวไม่กับไม่ตึงตังไม่ออกเปค่อยว่าเนิบยืดจู อะไรบ้างตามเหตุตามปัจจัยนะมันจะง่ายนะครับเหนื่อยพอทีก็เครียด det var ett นามธ์จะเอาไปจะให้ความปวดมานำเสมอไปนามะนำความ ก็คิดก็พอคิดไปว่าก็จะอุปสรรคไปยังบางคิดว่าอ๋อไม่ท่อได้ได้ความผกพยายามปิดความคิดได้ได้ความผกทั้งไม่คิดอะไรกันนี้มันคิดก็ปล่อย stänk inte för mycket senare. Om du stänker för mycket, mycket Känner glömlönen, glömlönen, glömlönen, chisenjat. Försöker chisenjat. Eller ibland kommer någon att körja, försöker chisenjat. Men ibland ja. ser någon glömlönen han han ก็เกิดพอไม่พอใจคุ้นเครืออะโอ้คนที่มาเตือนเรา är ที่มันเครือกับข้อพอเตือนแต่เตือนเขาว่าถ้าไม่ได้ เพราะเพราะตักที่เติบเนี่ยแม่แต่สามีปัญญาเนี่ยยังสังเกตอยู่สิเพราะแม่ก็ลูก แค่อัสสตาเกณฑ์ได้เนี่ยเหมือนกันถ้าได้สนุกกันแล้วทุกคนเชื่อฮะ เจ็บมันก็จะต้องงอมไปจะปวดนี่โทรกันน่ะรูปกันเดียวกันน่ะนะนั่นน่ะก็ปวดขมวดเหมือนกันบางทีเรากดทนได้บางทีเราก็ทนไม่ได้ไว้ไปแล้วเดินมาน้อ han nån i försöker nån gick kedd på hon gott som alltid någon kanske hur är det då långt är det då kanske hon tog hon lukt nä tog hon lukt nä åh gott någon vill hjälpa hon vänner vänner vänner vänner vänner vänner vänner vänner vänner vänner vänner vänner vänner vänner vänner vänner vänner vänner vänner vänner vänner vänner vänner vänner vänner vänner vänner vänner vänner vänner vänner vänner ไม่ใช่กำหารความสุขความทุกข์น่ะสิต่างหากถ้า พอไอ้ที่ว่าการเวทนาที่มันตกมันเมื่อยก็การเลยท่านเป็นธรรมชาติไม่ใช่ว่ามันดี ไปรู้ถึงว่าไปชอบความที่กองอะไรต่างๆมันหิวมันตีดมันเกิดขึ้นมาได้เป็นเรื่องให้ถือว่ามันเป็นเวทนาแค่เวทนาเท่านั้นไม่ต้องไปสุข เป็นเช่นเกกก็จะไม่กลัวเลย แลตตนเป็นมรรคของที่เราตนนี้ตนเกิดญาณในทัศนะแต่ต้องมา ปะตายแต่ว่าวรรคตอนนั้นเป็นเหตุปึงของตัวเพราะปลอกปุสัตว์มาปะกันคือโคคือธาตุ 4 คือผู้นี้คือผู้ที่เราจะเรียกว่าเป็นกาหรือเป็น ก้าวเดินนานๆก็เหนื่อยมากอันเดินกระบวนนานหมอที่เดินทางไปไม่ค่อยจะเมื่อยล้าเช่นเขาลง โดนหน้าพระมังกรดําเป้นะซอยนะพม่าก่อนจะไปแล้วพ่อไปนู่นโดนจับอะไรขึ้นขึ้นมายี่สิบกว่าหน้าดําเป้โอ้ แต่ได้อยู่กว่าไปได้นั้นมีอะไรที่เราใส่ อยากเป็นพวกฝากคิดอยากเป็นพวกของหมดอยากเป็นพวกครบทุกขออนุญาตแม่นะพ่อแม่เนี่ยอุปการะทุกคนต่อ เปล่าก็ใครทุกคนเวลาลูกอยากไปเที่ยวไม่ต้องขอร้องพ่อแม่ช่วยเองนะพั่นจะช่วยเองอันถือว่าพ่อแม่ก็ตก เสด็จแล้วก็ได้หมายถึงว่าเนี่ยเพื่อเรียกคําว่ามันเป็นคนกับครอบถึงอุปาทะสติเราจึงคารพไถ่ ให้เกิดการรับกับความรู้ให้จิตได้สัมผัสกับความรู้สึกตัวแล้วเหลืออุปการะของนรายอย่างเงี้ย เวลาเวลานี้ของคุณเวลาเวลาของคุณด้วยตนเองไม่มีของคุณตลอดเวลาออพอนทุเวลาพ่อออพอนทุเวลาทุกข์ออพอนทุผมเอง<อ> มันบ่เข้ามาบังเทก็อยู่ในความสุขแต่ว่าเข้าไป สารตะริกะเตมนตรีมีคําต่อแต่ฝ่ากระตังของไฟ <c oughs> ก็พออยู่นมระนมสาริเทศ จะเกิดความด่างเลย 6 หมวดคนคิดเกิดสมุทรลงว่าเมื่อเรา vivek när det gör uppatt i vivek samhöjt i kastet kille skall ta med, att vi hjälper oss själva, att vi att อย่าให้มันตรีได้ติเกตมันตรีหมดเลยเพื่ออะไรทั้งนั้นก็ตรีอันนั้นแปล แต่ว่าใจน้อยคุณคิดในลมคิดคุณคิดไม่มีสระเปรียบมีกรรมว่าคิดตัวนั้นเป็นคนเกลียดชาญแต่ว่าระเกียด เวลาใดมันหมอกสู่ผลคิดเธอฉลาดผลคิดมีสติรู้สึกตัวไม่นอนอยู่เย็นอยู่นั่นอยู่นอนอยู่เพราะถือว่าเป็นโทษที่ มันจะแก่มันจะรีสิสติอินทรีย์สิเนี่ยมันจะแก่ครับเพราะมันเกิดขึ้นโดยได้ใช้ใช้เราเมื่อไหร่มันก็แก่เพราะเหมือนมันต้องไปได้เหมือนเผาไม้ที่มันนะ เดิมทีรูปรถสติอินทร์เสกสติอินทร์เสกมันเผาะ <ชวย S 1> อย่าใช้อย่าจัดอนุขนองเวลาเราตั้งฐานะถ้าข้อพระสร้างตัวเก็บของหลอมเล็กให้เก็บมีไว้เก็บไว้นะเก็บไว้แล้วค่อยไปคาสาปาษานั่นแหละอย่าจัดทั้งหมดเป็นหมาออกตัวใครต่อมาน่ะพัดหงก็ต้องให้แก้พรหม ก็กับการจะโคตรเนี่ยครับเป็น นี่เป็นมรรคทายานี่คือปฏปทาเป็นเตโชเตโชเนวาสุปาสิกา เพราะฉะนั้นกว่าจะเข้าถึงอะไรเมื่อเคยอยู่ในท้องโลกอย่างเหมือนว่าผิดผิดนี่เป็น